วิธีง่ายๆก็เช่นว่าตอนนี้ความกลัวเนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยกี่คะแนนสมมติว่าไม่กลัวเลยคือศูนย์กลัวสุดๆในชีวิตเนี่ยคือสิบนะตอนนี้กลัวเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าหกบางคนก็บอกว่าเจ็ดให้คนไข้ไปดูความกลัวเลยถ้า น, นไม่พอนะก็ให้คนไข้ามาดูว่าเนี่ยไอ้ตอน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 เขาอยู่ตรงกลางความกลัวเลยไปรับรู้ไปดูมันซะเขาพูว่าวิธีนี้มันทำให้คนไข้กลัวน้อยลงพอให้คะแนนความกลัวจากที่เคยกลัวหกเจ็ดคะแนนหรือแปดก็ลดลงมาเหลือสามเหลือสี่หรือบางทีก็เหลือสองพอคนไข้ลดความกลัวลแล้วจึงค่อยเริ่มผ่าตัด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 เจอลูกเนี่ยวิ่งหกลม้มเด็กก็ร้องไห้ปกติถ้าเป็นแม่คุณก็บอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจะเข้ากับบอกกับลูกว่าเออะเจ็บไหมลูกอะเจ็บมันเจ็บยังไงอ่อี่ยให้เด็กมาดูความเจ็บให้เด็กมาดูนะดู ใจเนี่ยนตอนที่เจ็บมันเป็นยังไงถล้ เ, เด็กก็หายปวดนะได้ไวนะไอ้ที่งองงงองแงก็หยนะุดร้ดองให้เห็นว่าความเจ็บมันเป็นธรรมด า, เ, าเจ็บได้แต่ก็ให้มันเจ็บเหลือแค่เจ็บกายนะแต่ว่าใจนีไม่ทุกข์ถ้าความกลัวก็เหมือนกันนะเป็นปัญหาของคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีผู้ปกครองคนหนึ่งกังวลกับลูกมากนะลูกอายุสักสี่ขวบได้สามสี่ขวบนั่เด็กเนี่ยจะกลัวโป๊ะมากนะเวลาจะนั่งเรือข้ามฟากกลับบ้านเนี่ยก็ต้องลงโป๊ะก่อนพออุ้มเด็กลงโป๊ะเนี่ยเด็กก็จะร้อง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 แทนที่จะต่อว่าลูกว่าไปโกรธใจได้ยังไงนะก็เพียงแต่ให้ลูกเขาเห็นว่าตัวมีความโกรธพอเด็กได้เห็นความโกรธของตัวนั้นเด็กหยุดว้ยวายเลยะกลับไปเล่นเหมือนปกติพ่อได้ฟังเรื่องราวของแม่นะที่ ทำให้เด็กหายโกรธก็ลองมาเอาวิธีที่มาใช้กับลูกของตัวที่กำลังกลัวบ้างวันหนึ่งก็ทดลองอุ้มลูกเนี่ยลงโปะ๊ะเด็กก็ตามคาดนะก็ร้องด้วยความกลัวบอกพ่อว่ า, าให้เรียกขึ้นฝังเร็วนะหนูกลัวหนูกลัวแล้วก็ดินด้วยนะ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 พ่อก็ถามรู้ว่าแล้วตอนนี้ใจเป็นยังไงใจมันกลัวมันหนักเด็กก็อธิบายไปตามที่เขารับรู้แต่สักพักเด็กก็หยุดร้องแล้วก็มือที่กอดพ่อไว้แน่นมันก็ปล่อยแล้วก็เด็กลงมาข้างล่างเลยลงมาที่โปแล้วก็เดินเล่นวิ่งเล่นอยู่บนโปนั่นนะ่ะ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 กลัวความมืดตรงที่ว่ากลัวผีกลัวสัตว์ลายกลัวตุ๊กแกสารพัดบางคนหลวงพ่อรูวงที่นี่มีตุ๊กแกนี่ไม่กล้ามาเลยไม่กล้ามาปฏิบัติที่นี่กลัวตุ๊กแกมากแม่ไม่เห็นตุ๊กแกแต่ก็กลัวว่ามันจะโผล่มาเมื่อที่กลงวันแสกสก็กลัวที่สารานาในเมื่อวานเนี่ย โยมโยมาเยี่ยมพอเห็นตุกแกโผลมาตกใจขณะกลางวันแท้ๆทุกแกนี่ท่านทำอะไรเลยแต่ถือว่าไม่ไม่โผลมาแต่ว่าใจมันก็คิดไปแล้วพอคิดไปแล้วทำไงอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าที่กลัวเพราะความคิดคนเราทุกเพราะความคิดพอไม่คิดก็ไม่กลัว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 พอนึกเรื่องอะปุ๊บนี่ความกลัวมันหายเนี่ยบางทีก็ไปนึกถึงลูกไปนึกถึงงานนะอันนี้ก็เป็นวิธีเลี่ยงอย่างหนึ่งแต่วิธีที่ดีนะได้ผลตรงๆคือการเข้าไปเห็นความกลัวเห็นความกลัวแต่ น, นี้ก็ต้องมีสติฝึกไว้นพอสมควรหน่อยหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องมีคนชี้นําให้ดีเห็นความกลัวนะ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 นี่ถ้าเธอไม่หันมามองนะไม่หันมาดูนะก็คงต้องฝันร้ายไปเรื่อยๆนะเพราะว่ากลัวและกลัวเพราะไม่รู้แต่พอหันมามองอก็เห็นความจริงก็รู้ความจริงว่าอมันไม่มีอะไรมันก็แค่หนังสือตัวการ์ตูนที่อาจจากหนังสือนั่นเองอันนี้ก็เป็นอนุภาพของการมองการเห็นนะคือเห็นนะแต่ไม่ใช่เห็นความกลัวแต่เห็นตัวการ์ตูน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 ทำไมเรายังกลัวอยู่เนอย่างที่หมอวิทานบอกเนี่ยคําพูดว่าอย่ากลัวอย่ากลัวเนี่ยมันไม่ช่วยเลยคําพูดว่าอย่าอย่าโกรธอย่าโกรธมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แต่ถ้าเรายอมรับมันซะอยอมรับว่าเรากลัวยอม ร, วรวยมรับว่าเราโกรธแล้วอย่างเถ้าเรายอมรับด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยสติมันก็จะกลับมาได้ไหวและถ้าเราเห็นนะเห็นมันนะมันก็จะเหมือนกับว่า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 ลองฝึกวิธีนี้ดูนะมันก็จะทำให้เราเห็นวนะ่าโอ้ความรู้สึกตัวหรือสตินี่มันมีอนุภาพมาอาล่ะชาตที่กพกดกับเท่า น, นี้